ช่วยกันสร้างชุมชนให้เข้มแข็งกันมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนให้เข้มแข็งมีชีวิต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 มอกสลายที่ปลายฟ้าสลาย 30 อันเป็นตอน เพื่อบริหารเงินขวัญถุงราชทานที่ได้เป็น เป็นยังไงบ้างไม่ทันข้ออืม ถึงพวกเราจะพอช่วยตัวเองกันได้แต่ก็ยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และทางราชการเราจะพอช่วยตัวเองกันได้ จนที่มีเวลาจัดการเรื่องส่วนตัวสักทีนี่จะพูดอะไรคะครู โอเนี่ยชักสงสารน้องดีซะแล้วสิไม่ต้องสงสารๆ ไอ้จะเปิดเทอมซะทีฮะหนังดีอาทิตย์หน้านี้แล้ว รถยังไม่ทันจะขาดคำเลยเห็นไหมปลัดมายังไม่ทันจะขาดๆเอ๊ะ ก็ทำไป แต่ดินกินแต่หญ้าเอ๊ะ เราต้องอยู่กับคนหลายต้องอยู่กับคนหลายๆคนนะไม่ใช่มีๆๆ เราอาจจะตั้งวง มาว่าพี่ปอของเปียะทําถูกแล้วล่ะที่ เราทำงานเหนื่อยหรือเครียดอยู่ จูลูกสาวสี่จิ๋วนี่นากล้าออก จะเอาไปบูชาพระที่บ้าน 10 20 200 170 2 เลือกซื้อมะละกอเยอะเข้าหน่อยเลยแซวมิลงคุณไม่ใช่ มาเรียนจะรู้เรื่องหรอเชื่อดิเดี๋ยวก็กลับไปใช้อีกลบเถอะครับถึง เนี้ยมีคนมาบริจาคเงินเอ้ยคุณกัญชลิกานะค่ะบริจาคในนามของเสียด เอ๊ะนั่นรถใครมารถใครมาอืมจะเป็นรถโอ้เพื่อนหมอเองค่ะหมอเองค่ะว่าแต่ เพื่อนๆของ คุณบาบาให้ปุ๋ยนี่เราเล่นจ้าพอดีพวกเรา ภูมิใจในตัวเธอมากนะหวานและเธอเป็นแรง พอพูดถึงเท่านั้นก็เดินยิ้มแป้นเข้ามาทันทีสวัสดีอ๋อก็ ที่ไม่ฮะเนี่ยอ๋อไม่ถามก็ลืมไป ร่วมทั้งโอ้โห นี่จะกลับไปอยู่หอต้องฝึกสอนเสร็จแล้วก็ได้เวลาเรียนต่อ คุณมีเป็นตัวของตัวเองต่อไปๆนี่นะงั้นพรุ่งนี้เช้าคุณปลัดขับรถมา นี่ให้มาติดใจได้อีกแล้วเนี่ยหลอกผู้ใหญ่คนอ้าว ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณครูใหญ่มากนะคะที่ช่วย ผมชื่อแทนคุณก็เพื่อจะได้ระลึกหรือ ผมเขินจนเออพูดตอนผมมาที่นี่ใหม่ๆพระอาทิตย์เรานึกได้ คิดแล้วว่าดวงตะวันหรือพระอาทิตย์เข้ามาจัดเหมือน คหมอก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 นามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรภาธิปัตนะบินดาเกษรีเปรมรักสุภาสีผ่องกษัตริย์เทราก่อก้าวชาว แลเฉลิมพลสิริประเสริฐศักดิ์ชนัฐฐานอาสาควบคุมเสียงอาทรภาธิภัทนะลินดาเกษรีควบ